พระธรรมเทศนาแผ่นที่หนึ่งลำดับที่สิบสองโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมเมื่อวันที่ยี่สิบสามพฤศจิกายนสอง6ห้า้อยห้าสิบหมีชื่อเรื่องว่าจงดำรงชีวิตด้วยความไม่ประมาท นับว่านานที่หลวงพ่อไม่ได้ขึ้นมาทำมาศหรือไม่ได้ขึ้นแสดงธรรมในช่วงองค์หลวงปู่มรณภาพใหม่ในช่วงนั้นก็มีการประชุมหาเรือเกี่ยวกับจัดงานสรีละพระราชทานเพิงสริละขององค์หลวงปู่เราจากนั้นก็ ได้มีหมายกำหนดการลงมาจะมีการเสร็จเป็นวันที่18มกราคม57จากนั้นก็พวกเราก็ได้ไประชุมหารือกันแล้วก็มอบหมายงานให้ผู้ที่อยู่ในคณะกรรมการลูกหลานให้ช่วยการจัด เท่าที่จะทำได้ก็ได้วางแผนงานกันไว้แต่พวกที่อยู่ไกลอย่างพวกเราอย่างหลวงพ่อหลวงพ่อก็กลับวัดเพราะว่าอย่างไกลอีกมากชนปีปีหนึ่งพอดีเพราะว่าหลวงปู่ท่านมรณภาพวันที่19กามกราห้าหกแล้วก็จะอะไรจะได้พระราชทาน วันที่18มกราห7เป็นหนึ่งชนปีพอดีเพราะนั้นหลวงพ่อก็ได้แยกย้ายการกลับแต่พอต่อมาก็ได้เปลี่ยนแปลงในาการเสด็จของสำนักพระราชวังที่ท่านได้หมายกำหนดการหมายกำหนดออกมาว่าเป็นวันที่หมกราห้เจ็ด เร็วขึ้นหน่อยเนึงเพราะนั้นคณะสัตยาญาติโยมลูกหลานทุกคนที่อยู่ไกลก็ข อ, ขอบอกข่าวแย่งข่าวต่อๆกันไปด้วยเพราะว่าพวกเราจะได้ผู้ที่จะมาก็จะได้เตรียมตัว ก, การเดินทางแลก็นี่แหละจากนั้นหลวงพ่อเมื่อออกเมื่อออกพรรษาแล้ว หลวงพ่อก็ได้มาประชุมหาหรือกันอีกรอบหนึงเมื่อไม่นานจากนั้นหลวงพ่อก็ได้กลับวัดไปอีกพอกลับมาวันนี้ก็เป็นงานเสร็จสิ้นงานกรถินทุกวัดคิดว่าจะมาเริ่มงานแล้วทีนี้พอมากระถินเสร็จวันที่สิบเจ็ดเขตกรถินนะเป็นวันลอยกระทงทั่วประเทศ เป็นวันหมดเขตกรถินวันที่สิเจพฤศจิกาห้าหกเป็นวันหมดเขตกระถินหลวงพ่อได้มาวันที่9นะคณะสัตยา ญ, ญาติโยมลูกลานมาวันที่19วันนี้เป็นวันที่23่สมาได้สองสามวันแต่หลวงพ่อก็ได้มาประชุมหารือเกี่ยวกับการจะจัดงานยังไง ในงานศลีละวันนี้ก็มีการประชุมตอนบ่ายมีเจ้าคณะจังหวัดเจ้าคณะอำเภอและขา้าพสังฆาธิการในละแวกนี้ได้มาประชุมหาหรือกันเกี่ยวกับจะจัดงานยังไงวันที่จะถึงไม่กี่วันข้างหน้านี่ใกล้แล้วนะที่นี่นะใกล้แล้วเพราะว่านี่ก็เป็นวันที่23พฤศจิกา และก็วันที่ห้ามกร า, เ, าเดือนกว่าๆพวกเราก็คงจะได้เตรียมงานกันอย่างเต็มที่างานของเรากคงจะต้อนรับแขกคนทั้งฝ่ายพระสงฆ์ทั้งฝ่ายคราวาสญาติโยมในคราวนี้ก็คงจะหลายหมื่นคนพอสมควรในความเห็นแล้ ว, ว่าความรู้สึกของหลวงพ่อนะ เพราะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาญาติโยมผูท้ทั้งอยู่ใกล้ทั้งอยู่ไกลก็ขอให้ช่วยช่วยกันช่วยกันคนละไม้คนละมือนะพวกพวกเรารักเคารพในองคหลวงปูเ่เมื่อองคหลวงปู่ยังส่งธาตุขันอยู่พวกเรา็ในฐานะลูกหลานทุกคนเข้ามากราบมาไหว้มาแสดงความเคารพสักการะท่านท่านก็มีเมตตากับทุกคน อย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นแต่บัดนี้หลวงปู่ของเราได้จุติไปแล้ว อ, อ, อย่างเหลือแต่สิริระของท่านพวกเราลูกหลานทุกคนก็ควรจะพร้อมเพียงส ม, มัคคีกันมาช่วยกันจะทำยังไงงานของหลวงปู่ของเราจะสำเร็จทุรวงไปด้วยดีไม่ให้มีอุปสักคนานับประการให้ราบรื่นเรียบร้อย ด้วยพลังกาลังศรัทธาของพวกคณะศรัทธาญาติโยมลูกหลานทุกคนนี่แหละช่วยๆกันคนละไม้คนละมือนะอันนี้ก็ขอฝากไว้กับพวกเราทุกๆคนนะลูกหลานทุกคนนะตอนนี้ไปหลวงพ่อจะแสดงธรรมตั้งใจฟังนะแต่หลวงพ่อคงจะไม่พูดอะไรมากวันนี้เพราะศรัทธาญาติโยมลูกหลานคงมาจากทางไกล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 อปมาเดนะัมปาเดทาตีติวันนี้เป็นวันหนึ่งนับจากองหลวงปู่ที่ท่านได้จากพวกเราไปเป็นระยะหลายเดือนตั้งแต่วันที่สิบเก้ามกราห้าหกแต่วันนี้เป็นวันที่ยี่สิบสามพฤศจิกาห้าหก พวกเราท่านทั้งหลายทั้งฝ่ายพระสงฆ์ทั้งฝ่ายคณะศรัทธาญาติโยมจากจากตรทิศที่หลวงพ่อฟังดูเมื่อกี้นี้ก็มีมาหลายคณะมีคณะพยายังด้วยมุกดาหารด้วยทั้งชนบุรีทั้งชนบุรีด้วยทั้งปทุมธานีด้วยทั้งละแวกแถบนี้ด้วยก็ได้มารวมกัน เพื่อแสดงออกซึ่งน้ำใจมาเพื่อกาบไหว้เคารพสรีระขององค์หลวงปู่จากนั้นพวกเราก็ได้ไหว้พระสวดมนต์ร่วมกันต่อ น, นี้ไปก็จะได้ฟังหลวงพ่อจะได้กล่าวสังเวทนิยกถาเพื่อลำลึกหรือว่าให้เป็นที่น้อมลำลึกในพระคุณขององค์หลวงปู่ที่ท่านจากไป และก็พร้อมกันพวกเราก็จะได้ฟังพระสวดอภิธรรมแล้วก็พระสงฆ์อนุโมทนาให้พรเป็นชริเป็นมงคลสาหรับพวกเราท่านทั้งหลายงานวันนี้ก็คงจะเสร็จพิธีวันนั้นต่อ น, นี้ไปหลวงพ่อจะได้กล่าวสังเวทเทนิยกถาก็ว่าสังเวทนิยกถาก็คือความสลดสังเวทใจที่พวกเราไม่คาดไม่คิดถึงจะคาดคิด ไว้ก่อนแต่ก็ไม่ได้คิดว่าวันนั้นวันนี้เดือนนั้นเดือนนี้ปีนั้นปีนี้ขณะนั้นขณะ น, นี้พวกเราไม่ได้คิดแต่ตามให้จริงในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วท่านบอกไห้คิดทุกลมหายใจเข้าออกถ้าหายใจไม่เข้าก็ตายถ้าหายใจไม่ออกก็ตายชีวิตของเราอยู่ที่ปลายจมูกวันนั้นอันนี้คือพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าแต่พวกเราท่านทั้งหลาย คงไม่ได้คิดถึงขนาดนั้นแต่หากว่าพวกเราท่านทั้งหลายเห็นผู้ที่ล้มหายตายอากไปถ้าอยู่ไกลเราก็เฉยเฉยก็รู้สึกว่ารับทราบแต่ผู้ที่มาใกล้เรา เ, เราก็รู้สึกสะเทือนใจอยู่บ้างแต่ถ้าว่ามาเป็นพี่น้องปู่ย่าตายายญาติมิตรสหายของพวกเราที่อยู่ใกล้ชิดยิ่งเรารักเคารพเท่าไหร่ ยิ่งกระเทือนใจสำหรับพวกเราอย่างแรงมากเพราะนั้นคำว่ามรณภัยครับนี้เนะี่ยไม่เป็นที่พึงปรารถนาของพวกเราท่านทั้งหลายแต่ถึงยังไงถึงจะไม่พึงปรารถนาแต่ก็ทุกคนก็จะต้องได้พบได้เจอเพราะนั้นพระพุทธเจ้าของเราที่ท่านได้ตัดหรือว่าได้สอนบอกกล่าวพวกเราขอให้พวกเราท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความไม่ประมาท อย่างที่หลวงพ่อได้ยกเป็นพุทธภาษีเบื้องต้นว่ า, าขยวยะธรรมมาสร้างขาราอั ป, ปมาเดนะซัมปาเดทาติขยวยวยธรรมมาสร้างขาราคือสังขารทั้งหลายคือร่างกายของพวกเราไม่ว่าของสรรพสัตว์ทั้งหลายเกิดขึ้นมาแล้วแก่เจ็บตายเป็นธรรมดาสังขารทั้งหลายเป็นของไม่เที่ยงยทุกคนไม่ว่า ใหญ่ไม่ว่าเล็กไม่ว่าจดถาบรรดาศักด์สูงส่งขนาดไหนชีวิตของพวกเราเน่ไม่เที่ยงแท้แน่นอน เ, ออเกิดขึ้นมาแล้วก็แก่เจ็บตายในที่สุดเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงสั่งเสียว่าขอให้พวกท่านทั้งหลายอย่าตั้งอยู่ในความประมาทจงยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิด อันนี้ก็คือทำคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านสั่งเสียพวกเราล้างร่างกายสังขารเป็นของไม่เที่ยงเกิดแก่เจ็บตายและก็พร้อมกันท่านทั้งหลายจะตั้งอยู่ในความประมาทแล้วก็ให้ยังประโยชน์ตนประโยชน์ตนก็คืออะไรไหว้พระสวดมนต์นั่งภาวนานประกอบคุณงามความดีอย่าได้ประมาทเพราะชีวิตของเราไม่ไมเที่ยงแท้แน่นอน แล้ก็พร้อมกันก็ยังประโยชน์ของท่านแหมใลรๆก็ว่ามองท่านช่วยเหลือชุมชนสังคมอย่างไรอย่าไปนิ่งดูดายประโยชน์ต้นก็จะให้ขาดตกบกพร่องประโยชน์ท่านผู้อื่นก็จะให้ขาดตกบกพร่องอันนี้คือพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจา้าเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านประโยชน์ต้นนี้แหละสำคัญ ประโยชน์ตนคือสำคัญเราเกิดมามีชีวิตอยู่ถึงป่านนี้เราได้ทำอะไรเป็นเครื่องอุ่นใจเป็นเครื่องสบายใจเมื่อเราล้มหายตายจากไปขณะนี้เดี๋ยวนี้เราจะไปอยู่ที่ไหนเราจะไปยังไงเป็นที่อุ่นใจได้ออยังเป็นที่พอใจได้ออยัง ที่รู้รู้ที่ไปที่มาหรื อ, อยังถ้าว่าเรายังไม่รู้ที่ไปที่มาเราก็ควรจะนี่แหละอย่าตั้งอยู่ในความประมาทคนจะควรจะสั่งสมคุณงามความดีควรจะสมสั่งสมบุญกุศลเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราเพราะเหตุว่าพวกเราเนี่ยตายแล้วไม่ศูญตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าท่านว่าตายแล้วไม่ศูญนะตายแล้วเกิดอีกเพราะว่า พวกท่านทั้งหลายอยากจะรู้ว่าตายแล้วเกิดแล้วตายแล้วสูญให้นั่งสมาธิให้นั่งภาวนาอย่างที่เราตถาคตที่ได้ตรรู้พระอนุตรรสัมมาสัมโพธิญาณที่โคนต้นโพในวันเดือนหกเพนนนะั้นเรานั่งขัดสมาธิขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดํารงสติเฉพาะหน้ากาหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าออกจากนั้นพระไทยใจของเรารวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อจิตใจรวมสงบลงเป็นหนึ่งแล้วเรารู้ได้ด้วยตัวของเราเองว่าร่างกายกับใจเนี่เป็นคนละอันกันร่างกายในยว่ารู ป, ปรธรรมชวนจิตใจนั่นคือเรื่องนามธรรมรู ป, ปรธรรมกับนามธรรมในในร่างกายของเรามีอยู่สองอยู่ด้วยกันเนี่ย รูปประธรรมกับนา ม, มธรรมอยู่ด้วยกันแต่หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าท่านให้ความสําคัญเรื่องนา ม, มธรรมมากกว่ารูปประธรรมเพราะเหตุใดเพราะพระพุทธเจ้าท่านตรัสเป็นพระบาลีว่ามโนปุพังขา ม, มาธรรมามโนเสธามโนมายาเรื่องทั้งหลายมีใจเป็นใหญ่มีใจเป็นหัวหน้าสําเร็จแล้วด้วยใจนี่แหละเรื่องมโนคือใจ คือนา ม, มาธรรมเนะ่คือใจตัวนี้แหละพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญมากกว่าร่างกายร่างกายนี้ถ้าจะเปรียบเทียบหลวงพ่อเคยเปรียบเทียบไม่รู้ว่ากี่ครั้งต่อกี่หนให้คณะทายาติโยมได้รู้อะไรทราบว่าร่างกายของเราเหมือนกับรถแต่นา ม, มาธรรมที่มองไม่เห็นเหมือนกับคนขับรถนะคนขับรถกับรถ ถ้ารถจะไปได้ก็ต้องอาศัยคนขับถ้าคนไม่ขับรถคันนั้นก็ไปไม่ได้เพราะฟินยาณออกจากร่างแล้วนะรถคันนั้นก็ไปไม่ได้เพราะนั้นในธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าถ้าจะเปรียบเทียบระบบพูดให้ชัดเจนว่ารถคันนี้โซเฟอร์เป็นใหญ่โซเฟอร์เป็นหัวหน้าสำเร็จแล้วโดยโซเฟอร์โซเฟอร์จะพาไปไหนรถคันนี้นก็จะต้องไปตามที่โซเฟอร์อยากจะให้ไป ถ้าหากว่าโซเฟอร์นิสัยกิริยามารยาทดีรถคันนี้ก็นิสัยมารยาทดีไปด้วยเวลาไปที่ไหนก็สุภาพแต่ถ้าหาว่าโซเฟอร์นิสัยกิริยามารยาทไม่ดีขับรถคันนี้ไปก็ไปเฉี่ยวไปชนไปบีบแตรด่าดาดาไปหมดทุกแห่งหนเพราะอหไรเพราะโซเฟอร์นิสัยไม่ดีนิสัยโกเป็นนักเลงนี่แหละเพราะฉหนั้น สมควรยิ่งโซเฟอร์จะต้องได้รับการอบรมเอาศีลธรรมจริยธรรมเข้าสู่โซเฟอร์ถ้าโซเฟอร์มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมดีแล้วรถคันนี้ก็จะดีไปด้วยเพราะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะอันนี้คือหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าที่ท่านได้พิสูจน์มาแล้วบอกว่าร่างกายของคนเรานะมีอยู่สองอยู่ในร่างกายของเรา รูปธปรรมและนามธรรมแต่หลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ความสำคัญเรื่องนามธรรมมากกว่ารูปธรรมเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายที่มาในวันนี้มาบำเพ็ญกุศลมาบำเพ็ญกุศลให้กับใครใจของเรานำคือนั่งรถมาขี่รถมาคือร่างกายของเราคือรถอแต่ใจของเรานี่นมากราบมาไหว้ค า, ารวะ สารีละของหลวงปู่จากนั้นเราก็ได้นำร่างกายนำรถคันนี้นะมานั่งอยู่ที่นี่นะมากราบมาไหว้ทำพิธีกรรมเพื่อเคารพสักคารบูชาพระคุณขององค์หลวงปู่ของเราแต่บุญกุศลที่เราได้ทำไปนั้นโซเฟอร์โซเฟอร์ได้บุญนะไม่ใช่รถได้บุญรถเพียงเพียงแต่เป็นผู้ พามานำมาท่านเองพระนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะอนัตถายาโยมทุกคนสรุปแล้วก็คือในหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเน่ยตายแลย้วไม่สูญตายแล้วเกิดอีกนรกสวรรค์มีจริง่ขอให้พวกเราทุกๆท่านประกอบคุณงามความดีอย่าตั้งอยู่ในความประมาทการกล่าวสังเวชเ ท, ทนิยกถาในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอํานาจคุณพระศีรัตนาตรัย พระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์บุญบารมีขององค์หลวงปู่จามของพวกเราเที่ท่านได้ล่วงลับดับขันไปด้วยบุญบารมีของพระองค์ท่านที่บำเพ็ญมาด้วยดีก็ข อ, ขอให้มาคุ้มครองขอให้พวกเราประสบแต่ความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ข อ, ขอให้สมหวังดังปราถนาทุกๆกท่านด้วยเถิน